จากทุ่ง ม, มาชับไปยังสวนสวรรค์หรือนรกและจำแนกมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกคือคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขด้วยพระนามของมะลอห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวยัง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 ว่าแท้จริงพระพั่ววิบาลของเจ้าเลยมีพระบัญชาแก่มันเย้มอิดียัสดรุนาสอัชชาชัลลิยราอามาลหุมในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่หมู่เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขาฮะมันย่ามลมิตกาลดรรธินไขร่าระ